ขอโนบนอ้อมพระรันตนตยปยพระพุทธพระธรรมพระสงค์ขอากาศครูาาบาอาจารย์ทุกรูปครับขอากาศเพือาา่อธันธมิกแล้วก็เจริญพรแมช่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนนะทั้งตามสบายนะตามสบายฟังก็สบายยกมือก็สบายนะทำอะไรก็ให้สบายนะแต่สบายไม่ใช่สบายแบบ ดื่มเนื้อดื่มตัวนะสบายแบบรูเนื้อรู้ตัวนะแต่ก่อนเราสบายแบบลืมเนื้อลืมตัวปล่อยใจให้สบายปล่อยใจให้ร่องรอยนะตามความคิดตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะอันนั้นเราคิดว่าอันนั้นแหะคือสบายของเรานะคือทำตัวตามสบายตามใจฉันนะใจฉันสั่งอะไรก็ทำตามนั้นเรานึกว่าอันนั้นคือการที่เราทาตัวสบายสบายนะ แท้จริงการทําตัวสบายๆในการปฏิบัติธรรมก็คือการที่เราไม่เพ่งไม่จ้องไม่เคร่งเครียดเกินไปนะไม่เรียกว่าไม่ทําตัวทําใจให้ลําบากให้อึดอัดให้แน่นอ่าเป็นการกดข่มอารมณ์ไม่ใช่แบบนั้นนะการทําสบายๆก็คือปล่อยจิตปล่อยใจให้มันอ่ามันอยากจะคิดก็เรื่องของมันนะก็รู้เท่าทันมัน มันจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็เรื่องของมันนะเราจะรู้เท่าทันมันให้มันได้มากที่สุดให้มันได้เร็วที่สุดเนี่ยนั่นคือเราไม่กดไม่ข่มนะถ้าเราปฏิบัติแบบสมาธิปฏิบัติแบบกดข่มกิเลสไว้นะมันกิเลสมันกิเลสมันไม่ได้กินเราชั่วครั้งชั่วคราวเฉยๆนะแต่ตอนที่เราเรียกว่าเลิกกดเลิกข่มมันก็ดันออกมาเหมือนเดิมนะอ่าอ่าเรียกว่า ข่มเอาไว้นะข่มด้วยศีลก็มีนะข่มด้วยศีลข่มด้วยสมาธินะแต่เราฝึกกรรมฐานฝึกสติฝึกวิปัสสนาเนี่ยไม่เป็นการกดข่มแต่เป็นการเรียกว่าถอนรากถอนโคนนะถอนรากถอนโคนเป็นการเรียกว่าตักมันทิ้งเลยนะกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นรู้เท่าทันมันดับไปมันหายไปแล้วนะแต่เราไม่กดข่มเขาไวนะ้นะนี่ปฏิบัติธรรม ฝึกสติต้องไปแบบนี้นะต้องปฏิบัติแล้วสบายถ้าใครปฏิบัติแล้วมันแน่นมันอึดอัดนะมันแน่นอึดอัดแสดงว่าเออเพ่งเกินไปนะ อ, อ่ข่มเกินไปเข้่งเขียดเกินไปเนีเราก็ต้องรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์คอยบอกแต่ถาภาวะที่มันเกิดขึ้น อ, อ่กับกายกับใจของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราได้ดีที่สุดนะ อ, อ่บางคนชอบไปหาครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์ คอยแนะนําให้ดูให้ว่าสาาพระที่เราปฏิบัติตอนนี้ดีหรือไม่ดีถูกไม่ถูกนะครูบาอาจารย์ชี้ให้ก็ดีเหมือนกันแต่จริงถ้าเรามีสตินะจะเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยชี้ชี้ถูกชี้ผิดชี้ดีที่ไม่ดีชี้ทางที่มันตรงทางที่มันอ้อมให้กับเราตลอดเวลาเลยนะนะถ้าเรามีสตินะสติเนี่ยเป็นครูที่ดีที่สุดนะเป็นคนที่สอนใจตัวเองดีที่สุดเลยนะ มันจะจำได้ว่าอออาการเป็นแบบนี้มันขมไปมันเพ่งไปนะอาการอย่างนี้มันมันใจมันลอยเกินไปนะบางใจเบาเกินไปนะฝ่าย ใ, ใจต้องลอยตามความคิดเนะีนะ่ยเราก็ลองสังเกตดูสังเกตท่วญ่มันก็เป็นแบบนี้แหล ะ, อะตอนอยู่ทางโลกมันจะก็ใจลอยตามอารมณ์ตามความคิดแต่พอมาปฏิบัติธรรมก็เลยมาดึงมามข่มก็ไว้นะไม่ให้มันไปไหนนะ เราก็ต้องให้มันพอดีพอดีนะทางสายการก็คือทางที่ไม่ไม่บังคับไม่กดข่มนะแต่ก็ไม่ใจรอยฝ่อยตามไปนะเราก็ได้สวดมนตนะนะ์วันนี้ก็มักนะมีองแปดนะวันนี้ก็สวดสามบทด้วยก่อนนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอ่าสามตัวนี้เป็นตัวเป็นอยู่ในหมวดนะมุดอยู่ในหมวด อยู่ในหมวดสมาธิทั้งหมดนะยินหมวดสมาธินะแต่สมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานะไม่ใช่สมาธิเพื่อให้เกิดเป็นการแค่ได้สมถะกรรมฐ า, านเฉยแต่เป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานะองค์มครรนคะมันพร้อมกันทั้งศีลสมาธิปัญญาบางทีปัญญาจะมาก่อนก็ได้นะปัญญาการที่มีความเห็นถูกต้องนะอย่างบทมรรคเขาก็เอาปัญญาไปตัวขึ้น คือการมีสมาธิทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าอันนี้เป็นทางเห็นว่าอันนี้เป็นทุกข์เห็นว่านี่คือทางดับทุกข์ได้นะเห็นวิธีที่จะออกจากความทุกข์แล้วก็ทำให้ถึงที่สุดได้เนี่ยเป็นตัวมรรคนะเป็นตัวปัญญาพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งปัญญานะปัญญาเป็นตัวนำนะไม่ใช่แค่ทานักษาศนลตามที่เขาทาตามๆกันมานะ ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์พารมไม่ใช่แค่ทำสมาธิตามแค่รูปแบบนะตามแค่รูปแบบคิดว่านั่งสมาธิคิดว่าหรือบางทียกมือดินโกรมก็เป็นสมาธิไปก็มีนะไม่ใช่ทำแค่รูปแบบแต่ต้องทำให้เกิดปัญญานะวิธีไหนที่จะทำแล้วเกิดปัญญาเนะ่เราต้องอต้องทำให้ถูกตรงนั้นนะจะรักษาสิ้นก็ต้องมีปัญญาจะฝึกสมาธิก็ต้องมีปัญญาจะเจริญสตนะิก็ต้องให้เกิดปัญญานะ จะเดินเพื่อให้เกิดปัญญานะปัญญาคือตัวอะไรปัญญาไม่ใช่แค่การจำได้จำได้ว่ า, าจำได้ว่านี่คือกายอันนี้คือใจจำได้ว่ายกมือท่าไหนเดินท่าไหนแบบนั้นจำได้ก็ใช่อยู่แต่จำได้เพื่อให้เห็นว่าที่จริงตัวที่มันบงการตัวที่มันสั่งการสํางงานตัวที่เป็นเบื้องหลังเบื้องฉาก ความมันจริงๆคืออะไรนะหรือว่าเป็นความจริงของกายของใจมันคืออะไรที่มันอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนี่คือตัวปัญญาคือต้องให้เห็นนะให้เห็นว่าอะไรมันเป็นตัวสั่งให้ทํานั่นทนํานี่มันมีความอยากตัวไหนเป็นตัวสั่งต้องรู้เท่าทันความอยากนะความอยากหรือว่ากิเลสหรือว่าตัณหาเนี่ยนะต้องรู้ให้เท่าทันเหมือนเราเหมือนตํารวจเหมือนผู้พิพากษาเวลาเขาจะตัดสิน จะปิดคดีนะก็ต้องสาวให้ถึงต้นตอให้ได้ถ้าจับได้แค่เรียกว่าลูกกระจกนะที่เขาสั่งการทางงานนะมันก็ยังไม่เป็นการตัดต้นเหตุตัดปัญหาที่แท้จริงนะมันต้องสาวให้ถึงสาเหตุถึงคนที่บงการถึงคนที่จ้างวานนะอันเนี้ยคนที่จ้างวานคนที่สั่งการทางงานจิตของเราสั่งการทางงานกายของเรามันคืออะไรเนาะต้องรู้ให้เห็นตรงนี้นะต้องรู้ให้เท่าทันตรงนี้นะ ดูกายนะดูใจก็คล้ายๆเฝ้ามองนั่นแหะเฝ้ามองผู้ต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าคนนี้จะเป็นโจรเป็นคนที่ทําผิดก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยๆดูกายดูใจตรงนั้นนั่นแหละนะเดี๋ยวสักวันมันก็จะโผล่ขึ้นมานะเดี๋ยวสักวันคนที่ไปจ้างวานคนที่ต้องสงสัยมันก็จะไปพบกันนะไปพบกันนะเราก็จะเจอเอกันตรงนั้นแหละนะดูกายไปเรื่อยดูใจเรื่อยนะมันจะเข้าไปใจเอเห็นว่า อ๋อตัวนี้มันตัวสั่งการสั่งงานให้เราทํานั่นทํานี่นะาให้ทุกบ้างให้สุขบ้างให้หัวเราะบ้างให้ร้องไห้บ้างเนี่ยต้องดูให้เห็นตรงนี้นะดูให้เห็นอะไรที่มันสั่งการสั่งงานกายเราจิตเรานะแต่มันจะใช่กายเราจิตเราจริงหรือเปล่าก็ไม่ดูนะดูให้เห็นจริงนะอดูให้เห็นว่ากายเนี้มันไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกายนี้เป็นสิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ จิตนี้ก็บังคับบัญชายไม่ได้อกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์นะจิตนี้ก็เหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์เนี่ยคือปัญญาของพุทธศาสนานะปัญญาพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการไปท่องจาํานะแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเข้าไปเห็นแจ้งสภาวธรรมของกายของใจของเราเนี่แหละนะคือปัญญาตัวนี้นะปัญญาตัวนี้เราปฏิบัติทำเพื่อให้เห็นตัวนี้นะเพื่อให้เห็น เรีว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงควา ม, มทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเห็นตัวนี้นะปฏิบัติไปนะถ้าใครคิดว่าจะบังคับกายไม่ให้มันเมื่อยนะก็แแทงว่าเออเข้าใจผิดนะมีความเห็นที่ผิดบังคับไม่ให้นั่งนานๆไม่ให้มันเมื่อยเดินนานๆแล้วก็ไม่ชอบมันปวดขานะไม่ชอบนะนั่นะคือเราเห็นผิดนะหรือนั่งไปปฏิบัติไปนะใจมันลอยใจไปคิดไม่อยากให้มันไปคิด นะไม่อยากให้คิดนะเรื่องนี้ไม่ชอบไม่อยากจะคิดเรื่องนี้ชอบอยากจะคิดนะแต่มันทำไมไม่คิดอีกนะก็ไม่รู้นะหรือทำไมความสุขมันเกิดขึ้นนะก็ชอบแต่มันเกิดแล้วก็ดับไปนะอยากให้มันเกิดนานๆนะปฏิบัติธรรมแล้วสบายอยากให้สบายนานๆแบบนี้ก็มีปฏิบัติแล้วไม่ค่อยคิดก็ชอบนะปฏิบัติแล้วคิดมากก็ไม่ชอบคนนี้ให้เห็นอาการมันนะเราปฏิบัติเพื่อเห็นอาการ ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อไปตบคุบเอาว่าอันนี้ชอบไปผักใสว่าอันนี้ไม่ชอบนะนะแต่ถ้าเราดูเท่าทันจิตใจของเราก็จะเห็นอาการเออเดี๋ยวเราก็ลงไปชอบเดี๋ยวเราก็ลงไปไม่ชอบเดี๋ยวเราก็ลงไปยึดเอาเดี๋ยวเราก็ลงไปผักใส่เขาออกไปนะการที่เราเห็นจิตเห็นใจเห็นกายของเราอย่างตั้งมั่นด้วยใจที่เป็นกลางมันจะเห็นนะเห็นโดยการที่ไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อไม่เข้าไปเผอชอบไม่เข้าไป เออไม่ชอบนะเนี่ยเราปฏิบัติทำเพื่อเห็นตรงนี้นะแต่การที่เราจะรักษาใจให้เป็นกลางมันก็มันก็รักษาไม่ได้ตลอดหน ะ, ะใจเราไม่ใช่ไปใจพระอรหันนะไม่ใช่ใจที่ไม่มีอ่าสังขารการปรุงแต่งมันมีการปรุงแต่งอยู่แต่ขั้นนี้ของเราคือการรู้เท่าทันอาการที่จิตไปปรุงแต่งแล้วก็รู้แล้วก็กลับมาให้ได้เดี๋ยวที่สุดนะมันจะคิดเรื่องของมัน เราจะรูทันมันให้ได้เร็วที่สุดนะอ่ามันจะคิดมากเท่าไหร่นั่นก็เรื่องของมันเองนะเราจะรูทันให้มันได้มากที่สุดนะนะถ้าเราปฏิบัติแบบนี้นะถ้าเราวางใจแบบนี้นะมันจะไม่เครียดนะมันจะคิดก็เรื่องของมันแต่เราจะรู้ทันมันให้เร็วเราจะรู้รูทันมันให้ได้มากที่สุดนต้องวางใจแบบนี้นะอ่าเหมือนเราจะไปเกณฑ์คนไม่ให้วุ่นวายไม่ให้มาพูดไม่ถูกใจเราเนี่ยเราเกณฑ์ไม่ได้นะแต่เราจะพอมีสิ่งที่มากระทบนะเกิดขึ้น นะเราคอยดูทันมันแล้วก็รักษาที่ใจของเรารักษาความเป็นปกติให้มันได้นะตอนที่เรามีสตินะมีสมาธิก็คือเนะี่ยหรือมีปัญญาก็เพื่อเนะี่ยเพื่อรักษาใจใเป็นปกตินะเพื่อกลับมาเป็นสู่ความเป็นปกติของใจนะความเป็นปกติของใจคือใจที่ไม่ยินดียินร้ายไม่ฟูไม่แฟบนะนะใจที่เรียกว่าปกติเนะี่ยเราก็ฝึกให้เป็นตรงนี้นะ ใจแต่ก่อนมันไม่ค่อยปกตินะเราก็คิดว่าเราเป็นคนปกตินะแต่จริงถ้าสังเกตใจตัวเองนะมันไม่ปกติเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็คิดดีบ้างแล้วคิดไม่ดีบ้างยิ่งปฏิบัติไปมากๆนี้ยิ่งจะเห็นนะแต่ก่อ น, นคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคิดดีนะประเดิษไปถึงที่คิดไม่ดีมันก็โอ้มันก็โผล่เข้ามาสารพัดนะบางทีเยอะเกินที่คิดดีเองนะอไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็คนคนขี้อิจฉาก็ดูตัวเองเป็คนคนขี้อิจฉา ไม่ตัเองเป็นคนขี้โก๋ขี้หงินหงิดนะปฏิบัติไปก็เงินหงิดนะบางทีไม่เงุดหงิดคนอื่นอะเงินหงิดตัวเองเงินหงิดตัวเองทำไมไม่ได้ดั่งใจนะปฏิบัติมาแล้วสามสี่วันไม่เห็นได้ดั่งใจทันทีนะเนี่ยแบบนี้ก็มันจะเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเนี่แหละนะปฏิบัติทําไปก็ก็เรียกว่าต้องทําไปเรื่อยๆนะบอกไปก็บอกกันได้เยอะนะเคยปฏิบัติมากี่ปีก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังกันได้ แต่เราฟังเราก็ฟังได้เฉยแหละแต่ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติเองได้สัมผัสกับประสบการณ์นันเองน่ะ Hair. มันจะจําไม่ลืมน่ะจำประสบการณ์ของตัวเราเองนะประสบการณ์ในาการปฏิบัตินี่แหละเป็นประสบการณ์ที่สอนเป็นครูที่สอนเราได้ดีที่สุดนะจิตมันจะจําได้ว่าอ๋ออันนี้มันถูกอันนี้มันผิดน่ะอันนี้มันใช่ น, นี้ไม่ใช่มันจะจําสภาวะตรงนี้ได้นะ mm ่ะ hmm. พอเราจําสภาวะตรงนี้ได้จิตมันก็จะทํางานของมันเองทติมันก็จะเกิดขึ้นของมันเองน่ะ ความหลมันก็เกิดขึ้นของมัน ก, ก็เรื่องของมันเหมือนกันสติมันก็เกิดขึ้นตามได้เหมือนกันน ะ, ะไม่ต้องกลัวนะเราฝึกสติแต่ใหม่ใหม่สติมันยังไม่เกิดขึ้นเองก็ต้องสร้างนะก็ต้องสร้างก็ต้องเรียกว่าต้องถนอมบางทีก็ถนอมนะถนอมในการไม่ไปพูดคุยกันนะทําไมเราต้องงดการพูดคุยหรือพูดให้น้อยที่สุดถนอมเพื่อให้ไม่ให้มันรั่วไม่ให้มันไหลไปนะนะถนอมรักษาไว้นะ บางที่ไม่จําเป็นต้องไม่อ่านต้องไปดูอะไรก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปดูมันจะได้ไม่ต้องไปคิดมากนะไม่ต้องมีคิดมากหลายคนนี่เผลออันนี้ว่าพอแค่ฟังก็ฟังแล้วก็คิดอ่านแล้วก็คิดตามแบบนี้นะมันก็เลยไปหลงกับความคิดได้ง่ายการปฏิบัติธรรมก็เลยเรามาเข้าครอมาปฏิบัติใหม่ rant, ก็เรียกว่าอาศัยรูปแบบอาศัยสิ่งแวดล้อมอีกตัวช่วยนะอาศัยรูปแบบการปฏิบัติทั้งวันนะอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องใช้ความคิด นะเป็นตัวช่วยนะเพราะว่าเราคิดมามากแล้วมาพักเรื่องที่คิดก่อนนะให้ตะกรที่มันเก็บค้างไายในใจของเรามันโผล่ขึ้นมาเถอะแค่นี้ก็ไม่หวานไม่ไหวแล้วนะอ่าเข้าใจไหมขนาดไม่ได้อ่านไม่ได้ดูอะไรสักเท่าไหร่นะมันก็เก็บเอาของเก่าเอ่าขมาคิดนะตั้งแต่อดีตที่จําความได้นะั่นแหละนะอ่ถึงอนาคตนะ่นะนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้นะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวมันจะคิดไม่เป็น แต่เรามาคอยรู้เท่าทา wow. ันกายของเราไปก่อนนะรู้เท่าทันกายของเราไปก่อนบางทีรู้ท่าทันความคิดรู้เท่าทันจิตใจไปเลยหลายคนมันตะเดิรดนะมันตาเดิดเพราะว่ามันเคยตามความคิดตลอดชีวิตนี่แหละมันเคยตามความคิดเคยตามอารมณ์ตลอดนะพอไปตามดูตามรู้มันมันไม่ใช่ตามดูตามรู้มันเป็นกลายไปเป็นกับเขานะกลายไปเป็นกับอารมณ์ต่างๆ ไปกลายเป็นกับอาการต่างๆซะมากกว่าเราก็ต้องมีฐานไว้ฐานหนึ่งก็คือฐานการเคลื่อนไหวนี่นแหละนะฐานการเคลื่อนไหวความคิดเข้ามานะมันก็รู้เท่าทันได้รู้เท่าทันแล้วก็ตกลงไปรู้เท่าทันแล้วก็ตกลงไปนะมันก็มีฐานกายที่เคลื่อนไหวเนี่นเป็นพื้นฐานนะแต่ถ้าใครพอพอรู้เท่าทันจิตใจตัวเองได้ไม่ดองไปกับอารมณ์ตัวเองได้นะก็ดูได้นะดูใจที่มัน เผอไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งก็ดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตตอนนั้นไปก่อนนะ้วก็รู้สึกตัวนี้แล้วเราได้นะดูกายดูใจนะไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยคือสติปัฏฐานปติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางที่เรียกว่าตรงเป็นทางที่เรียกว่าไปที่ไหนนะคนก็ยอมรับนะสมัยนี้ขอคนบอกว่าฝึกสติฝึกวิปัสสนานี่คนก็ยอมรับนะเพราะคนก็เริ่มดูแล้วว่าแค่การ รักษาศี์แค่การทำสมาธิเนะี่ยมันยังไม่พ้นทุกข์หรอกนะไม่ใช่แต่คนไทยคนที่ไหนเขาก็เหมือนกันเขาศึกษาธรรมะมาเยอะเหมือนกันนะจะคิดว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธที่อื่นไม่ใช่เมืองพุทธนะที่อื่นทุกที่จะเป็นฝ ร, รั่งหรือเป็นเมืองจีนก็มีคนที่สนใจทางพ้นทุกข์เหมือนกันนะไม่ได้น้อยไม่ได้ย่อนไปกว่าพวกเราหรอกนะเขาก็สนใจหาวิธีการที่จะออกจากทุกข์สารพัดหลายวิธี หลายวิธีแล้วนะแล้วก็มีวิธีหลงพ่อเทียนไปนำเสนอในหลายที่ก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่ามันเป็นที่ที่สามารถใช้ได้จริงนะในชีวิตประจำวันแล้วก็ทักฝึกจริงๆก็เห็นผลได้เร็วนะเห็นผลไดอ้อย่างซื้อฟู่สุภาษิมาเนี่ยก็ปฏิบัติแค่สองามวันนะเขาก็เกิดปิติเห็นผลก็ตั้งใจมาบวทต่อมาปฏิบัติที่นี่นะนี่ม่ไดพิสูจ น, นะ เขาคอสวันหนึ่งห้าหกวันเจ็ดวันก็ตั้งใจมานะมาเมืองไทยเลยก็จะอยู่กันเป็นปีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าเห็นผลเขาเคยปฏิบัติมาหลายวิธีนะนะวิธีที่ทำสมาธินะจากครูบาอาจารย์สายพม่าบ้างจากครูบาอาจารย์ในเมืองจีนบ้างเขาก็ศึกษามาเยอะนะศึกษามาเยอะแต่วิธีการตรงนี้เขาบอกว่าปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนแล้วเข้าใจสิ่งที่ท่านเว้ยางสอน นอกจากท่านเวลาังไหมหลวงพ่อคงเขียนเล่เาให้ฟังเมื่อเช้านะท่านเวรายังแต่าที่เมืองจีนเขาเรียกว่ามือหนึ่งตาซือ้อนะมหนึ่งตาซือ้อเวรายังนี่เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะเมืองไทยเราสออ่วนใหญ่เป็นแต้จิ๋วภาษาที่พูดก็เป็นแต้จิ๋วนะแต่ที่นู้นเขาไม่รู้จักแต้จิว๋วนะเขาใช้จีนกลางเป็นหลักนะก็ที่นั่นก็ไปกับหลวงพ่อก็ไปถิ่นท่านเวลางังเมืองกวางโจนะ เมองกวงโจวเป็นถิ่นท่านไบย์ด่างเพาท่านเกิดที่นั่นเราก็เผยแผ่ธรรมะที่นั่นหลายปีนะน่าจะเป็นประมาณสี่สิบปีได้นะเออท่านเบย์ด่างนี้มีความคล้ายหลวงพ่อเทียนมากความคล้ายหลวงพ่อเทียนเพราะว่าเป็นท่านเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้ไม่รู้หนังสือก็ว่าได้เป็นคนป่าคนดอยทำไมเก่าๆนี่เขาว่าประเทศจีนตอนใต้เนี่ยคือประเทศ คือคนป่าคนดอยอยู่ตอนตอนใต้คืออรยธรรมไม่จะเดินเท่าคนเหนือนะท่านเวรางนี่เป็นคนใต้นะแต่เป็นคนใต้ซึ่งมีปัญญาเพียงแค่ฟังพระสูตรเพชรตัดทรรมไดมาย า, นะาบัชรสูตรนะมีมีโยมคนนึงก็เดินไปสวดมนต์ไปบทสวด เ, นะเนี่ยบัชรสูตรนี่แหละท่านเวรางอยู่ในร้านขายฟืนนะเอาฟืนไปขายอยู่ในเมือง พอได้ยินแค่พระสูตรเพชรตัดทำลายมายานะท่านแม่สรงก็สว่างโคลงขึ้นมาเลยนะจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาสว่างนะจิตใจเบิกบานรู้ในคําสอนคนนั้นนะแต่คนที่ท่องพระสูตรนั้นไม่รู้คําสอนนะท่องได้จําได้แต่คนที่ฟังนะเกิดเป็นความเข้าใจท่านแม่ด่างก็เลยพอรู้ธรรมะนะก็เลยตั้งใจจะออกบวชนะแต่มีแม่นะมีแม่ก็ต้องไปเลี้ยงดูแม่ แต่ตัวเองเลี้ยงดูไม่ได้เพราะอยากบวชก็เลยจ้างคนอื่นเลี้ยงดูแม่แทนขอแม่ออกบวชนะขอแม่ออกบวชก็เลยเดินทางไปหาสังฆปรินิยานายกอง์ที่ห้าไปหาที่วัดอยู่ประมาณแถวทาคกลางของประเทศจีนครึ่งเหนือสักนิดหน่อยนะอยู่แถวหูเปนะ่ยก็ไปหาตรง น, นั้นสังฆปรนิยนายกองที่ห้าก็ลองภูมัดองภูมิทันเวลางนะก็มาก็ไม่ต้อนรับนะ อบอกว่ามาทำไมคนป่าคนดอยนะมาทำไมคนป่าคนดอยก็บอกว่ามาศึกษาธรรมะนะแต่ที่จริงไม่มีคนเหนือไม่มีคนใต้ไม่มีคนป่าไม่มีคนเมืองทุกคนมีธรรมชาติเหมือนกันหมดนะที่แบ่งแยกคนเหนือคนใต้คนป่าคนเมืองนี่มันเป็นสมมุตินะท่านก็ตอบไปแบบนั้นนะประมาณนี้แหละนะก็องค์ที่ห้าทั้ที่จริงท่านก็รู้อยู่แล้วแหละ ท่านนองจิตใจโดยเฉยๆแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาเรียกว่า เ, าเรียกว่าเป็นที่ที่เรียกว่าจะโดนปองรายได้ง่ายก็เลยบอกท่านไม่รังให้ไปให้ไ ป, ไปทํางานผ่าฟืนให้ไปตําข้าวอยู่ในครัวก่อนนะไปทํางานแบบนั้นก่อนนะทํางานกระจ๊อกกระจ๊ที่เขาว่ากระจ๊อกกระจ๊กันนะแต่จริงเป็นทํางานที่ดีมากแล้วนะเพราะว่า เป็นทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนะทํางานที่สามารถดูกายดูใจตัวเองได้ชัดมากเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความคิดมากนะทําแบบสบายๆนะอะตําข้าวก็มีการเคลื่อนไหวนะเหมือนการเคลื่อนไหวมือเหมือนเราเคลื่อนมือยกขึ้นยกลงใช่ไหมตําข้าวก็ตําขึ้นตําลงนะหรือเขาจะตําข้าวแบบใช้เท้าเหยียบก็ไม่รุนนะทํนะาข้าวผ่าฟืนเน่ะเป็นนะกายที่เคลื่อนไหวก็สามารถดูตัวได้ท่านเาจารยก็ใส่ฝึกตรงนั้นนะ ฝึกอยู่ตรงนั้นต่อนะฝึกตรงนั้นต่อจนกระทั่งวันหนึ่งนะอ่าวันหนึ่งสั่งคับนี้นายกองที่หก็ได้ประกาศในหมู่สงฆ์ในหมู่ลกสิทธิ์อ่าบอกว่าเนี่ยเราก็จะไปแล้วนะเราก็จะไปแล้วนะเราจะมอบตําแหน่งให้กับคนที่เรียกว่าสมควรแก่ธรรมนะสมควรแก่ธรรมต้องแสดงธรรมมาให้เราดูหน่อยสิว่าใครเป็นคนที่เราควรจะมอบตําแหน่งให้ได้นะ ก็มีลูกสิษย์นะพี่ใหญ่สุดนะพี่ใหญ่สุดท่านอะไรก็ไม่รู้นะฮะท่านก็เลยเขียนสโลกบทหนึ่งท่านบอกว่ากายมืนกับต้นโพจิตใจมืนกับกระจกอยมันเช็ดทูไปบ่อ ย, อยฝุ่นละอองจะได้ไม่จับใช่มอ่าอ่ากายมืนกับต้นโพจิตใจมืนกับกระจกอยมันเช็ดทูบ่อยฝุ่นละอองจะได้ไม่จับอุกคนพอได้อ่านสโลกนี้ก็ยอมแพ้สโลราบ ไม่กล้าเขียนต่อมีคนเขียนแค่บทเดียวเป็นนาเป็นอาทิตย์นะเป็นนาเป็นอาทิตย์ก็ไม่มีใครเขียนตอบท่านเวดางก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่เดินไปเห็นนกศิษย์เข้ามุงอยู่ข้ามุงอะไรกิด น, นอก็เลยขอให้เด็กวัดคนนึงอ่านให้ฟังว่าเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยนะก็เด็กวัดก็อ่านให้ฟังอ่าท่านเวดาก็เลยบอกว่าเขียนให้เราสักบทหนึ่งได้ไหมคนฟังก็ตกใจอ่าคนป่าคนดอย จะให้เขียนอะไรดูภาษาหนังสือได้หรอเขียนให้เถอลนะองเขียนดูนายเขียนว่าอะไรบอกมาสิธรรมดาก็เลยบอกว่าต้นโพก็ไม่มนะีกระจกก็ไม่มนะีธรรมชาติที่เดิมแท้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วฝุ่นละอองจะไปจับอยู่ที่ไหนนะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะต้นโพก็ไม่มีกระจกก็ไม่มีไม่ต้องไม่คอยเช็ดถู ไม่ต้องไม่คอยเก็บกวาดน ะ, ะธรรมชาติได้แทมเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขาเขียนให้นะเขียนให้ทุกคนพอได้ฟังส่าวนี้ก็ใช่เลยน ะ, ะที่ว่าต่นแรกว่ามันใช่แล้วก็ดีใช่ยิ่งกว่านะก็ถูกต้องยิ่งกว่าน ะ, ะสั่งานายกองที่ห้าก็ได้ดูเรื่องทีนี้เข้าก็เลยมาดูนะมาดูแล้วก็ทำเป็นไม่ได้เรื่องนะท่านก็บอกเอาเอารองเท้ามาเช็ด มาลบมาลบมาลบทิ้งเลยนะเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเนี่ยะรลบด้วยเท้าเหมือนโดนถูกแต่จริงโดนถูกเพื่อว่าจะได้ไม่ให้ลูกศิษย์คนอื่นเขาเรียกว่ามายกย่องท่านเวฬางมากเกินไปก็เลยพอลบทิ้งก็เรียกท่านเวฬางไปหาตัวต่อตัวก็บอกธรรมะให้บทหนึ่งธรรมะบทนี้อาจารยอืมเคยอ่านจริงสูตรเวฬางนี้เคยอ่านตอนนันยุคประมาณสิบแปดสิบเก้าปีตอนนั้นอืมไปส่วนโมก็ซื้อหนังสือติด กลับมาสูตรโดยหลางอ่านตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจนะอออแต่มีสูตรหนึ่งที่สังคณะตอนนี้ได้ยกองค์ที่ห้าท่านให้ท่านโดยดลางคือท่านบอกว่าไม่ควรอยู่กับอะไรไม่ควรเป็นกับอะไรทั้งสิ้นนคล้ายๆนะคล้ายๆที่หลวงพ่อเขียนบอกไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรนะแต่สูตเนี้อ่านตอนนั้นจำไม่ได้วก็เขาใช้ว่านี้คือไม่ควรอยู่ไม่ควรเป็นกับอะไรทั้งสิ้นนประมาณนี้ ท่านม่ด่างก็กระจ่างแจ้งที่สุดในพสูตรนี้แล้วก็สังคัดเป็นนายก อ, องที่ห้าท่ากเ็เลยมอบบาดมอบจีบอลแล้วก็บอกให้หนีไปนะหนีไปใต้เนี่ยหนีไปซ่อนอยู่ในปา่าท่านม่ด่างก็หนีไปซ่อนอยู่ในป่าสิบห้าปีสิบห้าปีนะหลบซ่อนอยู่มีคนไปตามชิงบาดชิงจีบอนแล้วก็ตามจริงก็ไม่ได้นะแล้วก็ก็ซ่อนอยู่ในป่ามาสิบห้าปี พอห้ปีแล้วก็เห็นว่าสมควรนะเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็เลยออกมาออกมาครั้งแรกก็แบบเป็นที่หือฮาฮนะือหาเรื่องอะไรหลายคนตึกเคยอ่านอาจะจําได้นะตอ น, น, นมาอ่านตอนตอนหนุ่มๆก็จํานะโอ้บทนี้ดีมากนะแต่มันยังไม่ค่อยเข้าใจนะท่านบอกว่าอะไรท่านบอกมีคนเถียงกันอยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะก็ได้ไปดูวัดแห่งนี้อยู่เถียงกันว่าเนี่ยลมมันไหวหรือว่าธกมันไหวนะ คือธงมันเปรียวนะเขาก็เถียงว่าเพราะมันมีลมหรือว่าเพราะมันมีธงมันก็เลยไหวแต่จริงนะเถียงกันข้ามวันข้ามคืนนะเถียงกันมานานแล้วนะะเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยพอทั้นกระดางมาบอกว่าจิตของท่านนั่นแหละไหวนะมันเป็นคําตอบที่คําตอบที่ไม่ต้องไปหาคําตอบไม่ต้องหาเหตุหาผลนะอมันสอดคล้องกับสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ต้องเอาเหตุเอาผลนะไม่ต้องมาถูกเอาผิด เนะพราะทุกคนนะถือเอาเหตุเอาผลคนที่มีเหตุผลว่าลมไหวมันก็มีเหตุผลของเขาใช่ไหมคนที่บอกว่าเหตุผลว่าทงไหวก็เป็นเหตุผลของเขานะคือเหตุผล่บางทีก็ใช้ได้แต่บางทีถ้าไปถือเหตุผลไปเถียงกันนะ<อ>เหตุผลไม่ตรงไม่ตรงกันก็เถียงกันไม่ยอมกันมันก็เป็นแบบนั้นไม่จบไม่สิน้นแต่พอบอกว่าจิตมันไหวจิตมันไหวนี่ไม่ใช่เหตุผลนะ พยายาม ก, กลับมาดูจิตตัวเองว่ามันไหวจริงหรือเปล่าพอกลับมาดูจิตตัวเองว่าจิตตัวเองมันไหวจริงนะมันหยุดนะลมก็หยุดธงก็หยุดจิตก็หยุดหยุดการปรุงแต่งเนี่ยคําตอบมันคือตรงนี้นะที่หลวงพอ่เอเล็กบอกปฏิบัติธรรมไม่มีคําถามมีแต่คาตอบไม่ต้องเอาเหตุเอาผลอ่นะมันตรงกับสภาวะที่ตรงนี้เลยนะถ้าเร า, ากลับมาดูจิตตัวเองนะกลับมาเห็นจิตตัวเองว่ามันไหวไปตามอารมณ์เราจะเห็นได้ว่าจิตของเรามันไหว พอจิตมันไหวมันไม่ต้องไปหาคําตอบว่าทําไมมันถึงไหวอ่าไม่ต้องไปหาคําตอบแต่มันจิตหยุดของมันเองนะก็แค่นั้นตอาแค่กลับมาเห็นจิตตัวของเราเด็กอ่านที่เราเคลื่อนกายบ่อยๆนะเคลื่อนกายบ่อมันจะเห็นจิตของเราไะเห็นจิตที่มันไหวพอเห็นจิตที่มันไหวนะจิตมันจะหยุดไหวแต่จิตใจเราไม่ใช่จิตพระอรหันต์มันไม่หยุดไหวอ่าถาวรมันก็กลับไปไหวใหม่กลับไปมาไหวใหม่เพอเราเห็น าการปรุงแต่ ง, งจิตอีกมันก็จุดใหม่นะเนี่ยเนีแล้วก็ฝึกตรงเนี้นะทงไหว ล, ลมไหวที่จริงจิตเราไหวที่จริงไม่ใช่แค่เรื่องทงทุกเรื่องแค่ลมที่เกิดจากคําพูดของคนอื่นนะก็ทําให้จิตของเราไหวแล้วนะหรือแม้แต่ความคิดที่เรานึกคิดปรุงแต่งแหะมันทำให้จิตของเราไหวนะนะีจิตนะจิตนี่มันไหวได้เร็วมากเราคอยรู้ทันจิตตัวเองที่มันไหวให้มันได้เร็วที่สุดนะคือการที่เรามาฝึกให้มีสตินะ ตื่นขึ้นเป็นสติคือรู้เท่าทันนะหลวงพ่อเทียนใช้คำว่ารู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมนะรู้กายจะรู้เท่าทันจิตพอเห็นจิตมันไปคิดนะหรือว่าจิตมันไหวนั่นแหละคือเห็นธรรมะนะเนี่ยท่านในต่างก็พอพ้งขึ้นมาตรงนี้นะก็เป็นที่รู้กันนะมาแล้ววงคที่หมาแล้วก็เลยต่อมาท่ก็เลยไปเผยแพร่ธรรมะต่อนะอีกหลายปีแต่วัดที่ได้ไปดู เห็นว่าท่านอยู่สามสิบเจ็ดปีนะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากคนที่สนใจพุทธศาสนาสนใจทางเซนนะก็จะมาที่วัดนี้นะมาที่วัดนี้มากราบคารวะศพท่านเวรานหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วยังไม่เน่าไม่เปื่อยนะยังนิ่มๆอยู่นะเขาว่านะเขาว่ามันนิ่มๆอยู่นะแต่ก็เห็นท่านตั้งอยู่เราไม่ได้ไปสัมผัสแค่ดูใกล้ๆนะแต่ก็เกิดเป็นศรัทธานีเกิดเป็นปิติ ที่ได้เข้าไปดูใกล้ๆเพราะเขาไม่ให้คนอื่นเข้าใกล้นะแต่พอหลวงพ่อไปเขาให้เข้านะไม่มีไม่มีเชือกกั้นอยู่เขาก็เขาก็ขอให้หลวงพ่อเข้าเขาก็ให้เข้าให้ถ่ายรูปปกติคนอื่นไม่ให้เข้าไม่ให้ถ่ายรูปนะบารมีหลวงพ่อก็ให้เด็กเข้าให้ให้ไปถ่ายรูปได้นะก็ก็เป็นสิ่งที่ไปถิ่นท่านเวลางน้นไปถิ่นให้ท่านเวลางั้ก็ได้เออที่จริงหนึ่งพันทีร้อยกว่าปีนะ พุทศาสนาไม่ได้หายไปไหนจากตรงนั้นคนยังสนใจอยู่นะยังสนใจอ่านพระสูตรของท่านแต่เพียงแต่ว่าวิธีการที่จะเข้าถึงตรงนั้นน่ะมาเป็นวิธีการซึ่งอาจจะเรียกว่ามันสมยุกสงส ม, มัยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าวิธีการปฏิบัติแบบเซนมนก็เป็นวิธีการที่อุ ก, กิจมากนะอย่างเซนเนี่ก็จะสอนแบบไหนให้นั่งสมาธินะนั่งสมาธิหันหน้าข้อกาแพงทาจิตให้สงบ ถ้าจิตไม่สงบก็โดนตีนะมันจะมีนะเขาจะมีไม้หลวงพ่อบอกให้ถ่ายรูปไม้มาให้ด้วยนะถ่ายเป็นไม้ใครไม้หวดไม้ไม้ตะบองนะแต่ก็เขียนว่าไม้ไม้ตื่นไม้ให้จิตตื่นถ้าใครหลับนะใครง่วงนอนครูบาอาจารย์เอาไม้ฟาดทันทีนะใครคิดมากครูบาอาจารย์ก็เอาไม้ฟาดทันทีนะให้มันตื่นขึ้นมานะหลวงพ่อบอกอาจารยมาสอนที่นี่ได้ไหม ไม่ให้จานทงตงินเอาไม้มาฟาดก็เนี่ยใครงงนอนใช้คิดมากเอาไม้ฟาดให้จิตตื่นแล้วก็มีให้โกอ่านนะให้ข้อให้คำสอนให้ข้อคิดของแต่ละคนอคนนี้ไปให้โกอ่านบทนี้นะคนนี้โกอ่านบทนี้นะพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เอาไปคบคิดต่อนะ่ะก็เป็นแบบนั้นวิธีสอนแบบเซนนะสอนแบบเซนแท้ๆห้ามพูดห้ามคุยน่ะทำงานหนัก ปฏิบัติเข้มนะปฏิบัติเข้มนักปฏิบัติหลายคนก็บอกว่าวิธีอนที่มาสอนเนี่ยตรงนี้มีแต่เข้มๆทั้งนั้นเลยนะแต่ไม่หลงเพระเทียนเนี่ยไม่เข้มสายทองเทียนไม่เข้มนะแต่จริงเราไปบัดที่นู่นนะเราเขาว่าไม่เข้มนะแต่จริงพอมันดูคนไทยเนี่ยเขาเข้มกว่าเราอีกนะ <c oughs> คนไทยเราเนี่ยติดสบายเลยมากเกินไปน ะ, ะคนจีนเนี่ยปฏิบัติและสอนของจีนเนี่ยสอนง่ายสอนง่ายไงเขาค่อนข้างเข่งอยู่แล้วนะ พอเข่งก็ค่อยๆผ่อนเราก็พอแต่คนจีคนไทยนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ชอบส บ, บายชอบเอ้อเหยล อ, อยชายสักหน่อยเนาะปลุกให้มาปฏิบัติเนี่ยปลุกยากเขี้ยวเข็ดเนี่ว่าเดินจังก็ไม่มยกมือนะเผลอไม่ได้เผลอก็แอบไปเ ง, งีบเผลอไปแอบไปคุยนะ น, ะ, นะไม่ได้ว่านะเท่าที่เห็นนะเอะแต่คนจีนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้คุยก็ก็ไม่ค่อยคุยนะอ่ะบอก เวลาพักนะกินข้าวเสร็จไม่ต้องกลับกูดนะไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกว่า อ, อไม่ต้องให้ครูบายอาจารย์เคยบอกว่า อ, อให้คอยปฏิบัตินะฝนจะตกนะจะหนาวเท่าไหร่นะเขาก็กางกลางร่มก็ใส่เสื้อกันหนาวเดินกันนะปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีพักนะไม่มีเบรกนะเบทานข้าวก็ไม่ได้ดูเหมือนกันครั เ, เบรกหรือเปล่านะทานคุณันทีนะแต่เวลาที่ อ, อ ที่เห็นๆกันเนี่ยก็ปฏิบัติกันทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบให้นั่งเป็นชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงเขาก็นั่งแบบนั้นนะให้เดินนะก็เดินนะไม่ได้สอนกันมากนะที่จริงภาษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่ภาษาคำพูดแต่เป็นภาษากิริยาท่าทางนะภาษาธรรมะไม่ใช่ภาษาคำพูดภาษากิริยาท่าทางนี่เป็นภาษาธรรมะที่ถูกที่สุดนะภาษาคําพูดเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยล่างเขาแต่ถูกผิดนี่เราก็ไม่รู้ แต่ภาษาที่เขาเรียนเดินแบบพวกเราคือภาษาการวางกายวางใจนะเห็นเราเดินแบบไหนนะเขาก็เดินตามเห็นเรายกมือแบบไหนเขาก็ยกมือตามเห็นเราวางหน้าวางตาแบบไหนเขาก็วางหน้าวางตาแบบนั้นตามเนี่ยมันถูกกว่านะอ่ามันถูกกว่ามันดูคอยสังเกตคอยสังเกตครูบาอาจารย์ทาแบบไหนแล้วก็สังเกตแล้วก็ทาตามนะก็มีแนะนาไปบ้างนะอ่ มันภาษาแบบนี้นิดหน่อยแบบนะ น, นำกันไปนะร่างเขาก็แปลไปก็คงเข้าใจกันอยู่นะเนี่ยก็ที่จริงเป็นภาษาที่เกิดจากการทําตามแล้วก็สังเกตจิตตัวเองสังเกตการวางกายวางใจของเราว่ามันมันพอดีหรือเปล่าหรือว่ามันหย่อนไปหรือเปล่าหรือว่ามันเข่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็สังเกตตรง น, นั้นนะนักปฏิบัติทำก็สังเกตตรง น, นี้ไปแล้วก็การที่เขาปฏิบัติอย่างตั้งใจก็นิสปฏิบัติอย่างเรียกว่า นี่ว่าปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยมันก็เลยทำให้เขาเห็นผลนะนักปฏิบัติหลายคนนะบอกว่าโอ้อ่าคล้ายๆว่าได้กลับบ้านที่แท้จริงแล้วนะอ่แต่ก่อนเหมือนคนพัดถิ่นเหมือนคนหลงบ้านเจอบ้านเจอแม่แล้วนะหลายคนก็พูดแบบนี้นะในรอบนี้บางคนบอกว่าหลงมาสามสิบกว่าปีนะเพิ่งจะไม่หลงเมื่อปีนี้เมื่อวันนี้นี่เองประมาณนะั้นก็มีนะอืม หลายคนบอกว่าโอ้แต่ก่อนไม่เคยเป็นคนขี้งุดหงิ ด, งดไม่เคยเรียกว่าเจวันเนี่ยไม่งุดหงิดเลยไม่เคยไม่เคยไม่หงุดหงิดนานติดต่อกันถึงเจวันทุกทีอ่าคนห้าสิบหกสิปีนะก็มีวันนะี้ก็พูดแบบนี้นะก็ก็อนุมโมทนา ก, กับหลายคนนะหรือแม้แต่พิซูนีที่มาเนี่ยก็บอกเขาไปปฏิบัติธรรมเป็นเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาก็ไปเจอครั้งหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ ปฏิบัติร่าวนั้นนะจนถึงวันนี้ไม่เคยมีวันไหนที่ท้อถอยเลยนะไม่ต้องมีใครมาให้กำลังใจให้ปฏิบัติไม่ต้องมีแรงบันดาลใจจากใครเพราะว่ามันเกิดจากแรงบันดาลใจกับจากกากกลังใจในการที่เห็นผลในการปฏิบัติของตัวเองนะก็ปฏิบัติทั้งวันน ะ, ะปฏิบัติทั้งวันไม่ต้องมีใครมาคอยเคี่ยวเข็นนะก็มีกำลังใจในการปฏิบัตนะิเนี่ยที่จริงนะทางคนทุกข์มันยังมีอยู่ มันเหนือแต่ว่าเราจะเดินตามทางนั้นหรือเปล่านะทางเส้นนี้มีมาแล้วสองพันห้ารอกว่าปีแต่จริงมีมานานกว่า น, นั้นอ่ะแหละนะแต่พระผู้เจ้าท่านค้นพบทางสายนี้แล้วก็มาชี้ทางบอกเรานะชี้ทางบอกเราให้เราเดินตามนะเราต้องค่อยเดินตามนะอะเดินตามท่านจะเดินนอกลู่นอกทางต้องสังเกตดีนะทางไหนที่ท่านบอกนะเราทําตามหรือเปล่าทางไหนที่ท่านไม่บอกเราดันทุ ด, ดัง แหกออกไปหรือเปล่านะาเราต้องสังเกตตรงนี้นะทางที่เป็นทางสายกลางนะคือทางที่วางใจพอดีพอดีนะไม่เพ่งไม่จ้องอไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นนะปฏิบัติเพื่อมาเห็นกายเห็นใจของเรานะ่นะทางสายกลางาท่านก็ให้มาค้นหาที่กายที่ใจนะอย่าไปค้นหาที่อื่นนะถ้าไปค้นหาทางสายกลางจากที่อื่นนะหาไม่พบนะ ต้องหาที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละนะการที่เราเคลื่อนมือการที่เราเดินจงกรมนะก็คือเพื่อให้เราเห็นกายเห็นใจเนี่แหละเราจะค้นพบทางสายการที่อยู่ในใจของเราเนี่แหละนะอ่าอยู่ในกายของเราเนี่แหละนะทางตัวนี้แหละแต่จริงมันไม่ได้อยู่หรอกนะแต่มันเห็นที่ตรงนั้นนะปฏิบัติที่กายเปิดที่ใจแต่มันจะเห็นทางที่ไม่ไปอยู่กับอะไรทั้งนั้นนะเป็นทางที่สามารถเดินออกจากทุกข์ได้นะไม่ต้องรอเลยนะไม่ต้องรอ ถงกระทั่งหมดทุกข์ถาวร น, นะแค่มีสติแค่รู้สึกตัวครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นการไม่ทุกข์แล้วนะชั่วขณะจิตนะอย่างมางทีเราไปเข้าใจอย่างเราสวดสัมมาสมาธินะจิตใจเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานนะจตุตฌานนะแค่ภาษาก็แปลยากแล้วนะอแค่กิริยาที่แปลก็ยังยากนะแปลเป็นภาษาไทยก็ยังยากกันนะแต่จริงอาการที่จิตใจตั้งมั่นนี่แหละ จิตใจรู้เนื้อรู้ตัวอย่างน่ะก็คือสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วนะแต่มันจะไม่ตั้งมั่นตลอดก็ได้นะเอาเป็นคติกะสมาธิจิตใจที่ตั้งมั่นชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นะอ่าไม่ต้องตั้งเพ่งตลอดเวลาไม่ต้องหลงตลอดเวลาไม่ต้องสุขตลอดเวลาไม่ต้องมีสติตลอดเวลานะทางที่เขาว่าก็ได้นะแต่ให้มีสติบ่อยๆนะให้รู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะให้มันรู้บ่อยๆนี่คือคณิกะสมาธิ การฝึกสติปัญญานี่มันจะเกิดขณิกะสมาธินะเป็นตัวเบื้องต้นเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นชั่วครั้งชั่วคราวตั้งมั่นตัวนี้บ่อยๆตั้งมั่นตัวนี้บ่อยๆนะเดี่ยวชาญหนึ่งชาน2อชานสามชานสี่ก็จะค่อยปรากฏขึ้นนะโดยตัวของมันเองนะแต่เราฝึกด้วยการที่เรามีสมาธิทีเล็กทีละน้อยน่ะนะเหมือนเราลองน้ําฝนนั่นแหละนะเราก็ลองน้ําฝนทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดไป มันก็เต็มขึ้นมันของมันได้นะฝึกสติก็เหมือนกันฝึกสมาธิก็เหมือนกันเดี๋ยจะเกิดปัญญาก็เหมือนกันนะมันค่อยๆสะสมนะสะสมตัวนี้แหละนะสะสมนะเราคนไทยนะถือว่าโชคดีนะครูบาอาจารย์ก็พูดเราก็ฟังได้นะถามได้นะดูได้เหมือนกันนะอ่าพุทธศาสน า, าในเมืองไทยเนะี่ถือว่ายังมีคนที่รู้ธรรมะคอยบอกสอนธรรมะไม่ขาดไม่หายไปไหน แต่เหลือแต่ว่าเราต้องเดินตามให้ได้นะอ่ะระวังเพราะว่าบางทีเราคิดว่ามันใกล้เกินไปนะมันใกล้เกินไปคิดจะเข้าหาตอนไหนก็เข้าหาได้รอให้มันทุกข์ก่อนรอให้มันแก่ก่อนถึงเข้าหาน ะ, ะเรียก ว, ว่าประมาทนะอ่ะเรียกว่าประมาท ร, รอให้ตัอทุกข์มากๆแก่มากๆว่างงานก่อนค่อยเข้าหาธรรมะเนี่ยถือว้เป็นผู้ประมาทนะอะบางทีเราจะไม่อยู่จนแก่ก็ได้นะอ่าบางทีจะ ทางชีวิตนี้อาจจะไม่ว่างก็ได้นะอ่ามันจะไปก่อนว่างก็ได้นะนะต้องรีบเดินเข้าหาธรรมะนะอ่าต้องรีบเดินเข้าหาธรรมะอย่ารอให้ธรรมะเดินเข้ามาหาเรานะต้องรีบเดินเข้าหาธรรมะต้องรีบเดินเข้าหาทางพ้นทุกข์นะให้ความทุกข์เนี่ยมันตัวผักให้เราเข้าหาธรรมะให้มันได้แล้วก็พยายามศึกษาตัวนี้ให้มันเรียกว่าให้กระจ่างแจ้งกับจิตกับใจของเราให้มันได้นะเราจะพบเลยว่าอานิสงส์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ย มีอานิสงส์มากนะมันเห็นผลได้ทันตาเห็นผลได้ในตอนนี้แหละนะเห็นผลในตอนนี้คนอื่นเขาก็เห็นผลในการปฏิบัติของเราเหมือนกันนะเขาก็เห็นผลพวกเราก็ต้องพยายามตั้งใจโดยเฉพาะในช่วงที่หลวงพ่อท่านก็ยังอยู่กับพวกเรานะอยู่กับพวกเราอยู่ในทางกายก็ดีนะแต่จริงหลวงพ่อก็อยู่กับจิตอยู่กับใจของพวกเราตลอดเวลายอย่างแล้วนะถ้าเราปฏิบัติเป็นนะ ก็จะเห็นหลวงพ่ออยู่กับเราตลอดเวลาเห็นพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลานะเห็นพระธรรมก็อยู่กับเราตลอดเวลานะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่ได้หนีไปไหนนะอยู่กับคนที่มีสติอยู่กับคนที่รู้สึกตัวแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหนีไปแน่ถ้าเราขาดสติถ้าเราหลงไปนะท่านไม่อยู่ด้วยนะอ่าเพราะจิตใจที่มีความหลงเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะนะเหมือนกับเก้าอี้เก้าอี้มันมีที่นั่งแค่ที่เดียวนะ ถ้าม <Same to S 1> ีคนหนึ่งมานั่งแล้วคนหนึ่งก็นั่งนั่งสอนไม่ได้ถ้ามีถ้ามีความหลงมานั่งที่เก้าอี้ตั้นั้นความรู้ก็เข้ามานั่งไม่ได้นะถ้ามีความรู้เข้ามานั่งตั้งนั้นความหลงก็เข้ามานั่งไม่ได้นะเราต้องค่อยเรียกว่าใหม่ๆก็ต้องทาเหมือนกันๆเล่นคืออี้ดนตีนะคับความหลงใครยเอาสติมาแย่งชิงพื้นที่ความหลงให้มันได้บ่อยๆนะฝึกตัวนี้ให้ได้บ่อยๆหลงไปก็รู้ท่าทันมันได้บ่อยๆนะคิดไปก็รู้ท่าทันมันได้เร็วเนี่ย คือการฝึกนะก็อย่าทอแท้ทอถอยนะพวกเราก็พูดให้ฟังนี่ก็เป็นแค่ให้ได้ฟังให้ได้คิดให้ได้เป็นกำลังใจนะแต่จริงฟังธรรมะนะจะคิดมากนะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปล่อยให้มันผ่านไปเถอะนะฟังธรรมะนี่ฟังเหมือนกับเรียนหนังสือไม่ได้ฟังต้องใช้ใจฟังนะฟังไปเถอะนะเข้าใจไม่เข้าใจก็เรื่องของมันให้ใจมันฟัง ให้ใจมันเชื่อให้ใจมันเข้าใจของมันเองนะแต่สักวันใจมันจะเข้าใจของมันเองนะใจมันจะเกิดเป็นปัญญาของมันเองนะใช้ใจฟังจะใช้หัวฟังจะใช้หูฟังนะใช้ใจในการฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่เราที่จริงเราต้องเดินต้องสัมผัสนะต้องสัมผัสด้วยตัวของเราเองนะให้ใจมันไปเห็นเห็นใจของมันเองนะไปเห็นธรรมะที่มันมีอยู่แล้วของมันเองนี่แหละนะมันจะเข้าใจตรงนั้นนะก็ต้อง เรียกว่าต้องมันสังเกตนะที่กายที่ใจบ่อยๆนะก็พูดนี้ฟังนะให้เป็นกำลังใจให้เป็นแง่คิดนะให้เป็นต่วนประกอบนในการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็คงพอสมควรเกเวดาเ น, นี่ของฝากของฝากนะจากเมืองจีนนะ